คนจักรูปละบนี้นร่องบัชันจักรูปเป็นบ่มวยบวลาหลวงพ่อจอยมันเกิดเลยแค่ขานหยัมวาชัน บายแหละ ว, วัฒน์วไดไเข้าห้องน้าห้องท่านะวัดสัน <c oughs> เป็นหนึ่งพระนาบนล่งดีคือสัน <c oughs> พอรอนเอาวดเอาเบรกใจเอาม <c oughs> ันไปติดอตตะจิละมา่านุโยโคได้ประโยชน์จากร่างกายถ้าไปทรมานเกินพอดีมันก็ไม่ดี ถ้าผ่อนเอานั้นได้เบียกใจได้อดต้องนั่งหิวให้ได้ฉันหน่อยๆน่อยตัวแตก็บ่ผิดธทร <c oughs> มันอดเพื่อนั่งมอขึ้นโซ่เส า, าขอืออยัว <c oughs> มันได้อดเพื่อเรื่องอื่นหละว่าไม่ได้ <c oughs> ดทำเลยให้ผ่อนฉันเอา ใน่ <c oughs> ันเบิกใจประมาณ <laughs> โยมก็ไม่ช่วยพระเห็นห่อเริ่มห่อแล้วทุกวัน <c oughs> ไม่ทำลายกิเลสการหออ <c oughs> มันได้ยินเสียงพระเปิดรคคัววขั้วคาคาหยุดหยุดหยนั่งสันเลยตักใจเราก็นั่งสันเลย ร่างเกียดอาหารก็ต้องปันตีปากแล้วร่างเกียดิก็ชีเดียรก็ต้องฉันละว่าสันตัวตีปันตีปากเอาปั ญ, ญาเวทีปากนนิดเดีน้อยสันน้ำนิดเยอะทันตีสันสินบเอาฮาทันตีสันอิมเอาเครื่องทัน อดตนรมานพออยู่ยังสบายทำใจให้สบายทำใจให้นิ่งไม่ขัดต่อหลักธรรมวิญญานอะ <c oughs> ถ้าไปอดทนรมานก็นั <c oughs> <c oughs> ่นตึงเกินไปที่พทธเจ้าจึงไม่อนุญาตด็ได้ประโยชน์จากข้าวจะไปทำลายต้นข้าวมันก็ไม่ได้ฉันข้าววไม่มีข้าวจะทาน ได้ประโยชน์จากร่างกายได้ประโยชน์จากบ้านจะไปเผาบ้านทิ้งมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตน้นจะโดดหน้าตายก็ไม่ได้รักษาเอาไว้เท่าเวลาอันควรของสังขารไม่ให้บังคับอยู่ไม่ให้บังคับไปถ้าไปหาหมอบ่อยๆก็บังคับให้อยู่ไม่อยากให้ตายถึงจะอยู่แล้วก็ยั้งอยู่ตาย แล้วพ่อเจ้าจึงไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องหมอเรื่องอะไรนก็รักษายาของหลวงพ่อเจ้าก็ในบาทเด้ในถ้วยในจานเด้หนึ่งจังสสูญยานี่ได้ยาธรรมชาติของหลวงพ่ออย่างตอนแรกกันพ่ะท่านเขาก็ได้คือก็นังคือเก้าผมว่านีกําลังคือเก้าเนี่ยไปเสิร์ฟเขาไปหา ทำวิตามินทำอะไรเข้าไปตามน้ำตามเนื้อมตามอะไรเข้าไปโน่นแหละ <S <S หาวิธีอยู่เหมือนเดิมก็ผลจากเมล ด, ดข้าวโน่นเพะฉะนั้นยังได้ถือคุณค่าของข้าวเลยเอาป้อนน้ำนมของพ่อของแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วที่ไหนที่ไหนก็มีตะกิเลศข้าวไม่เป็นราคาไม่เป็นไม่เป็นราคาแต่ก็เพราะคนไม่ทานข้าว ร้านอาหารมีแต่เนื้อดูร้านอาหารแลวมีโต๊มตมะมีก็หม้อร้อมหม้อย่างร้อมไฟย่างร้อมเป็นแต่เลยโอ้แต่ก่อนโต๊ะเปล่าๆก็ขายของขายข้าวขายกลับอะไรมาใส่มาให้มาพ้อมทุกวันนี้ไม่สนใจแล้ววันนี้ ไายของดีหมดเนื้อเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลสะสมเขาไปมามากไม่รู้เขาอะไรบ้างเห็น ไ, ไหมละ่ะบางแห่งหมูตายเขาก็ส่งเข้ามาเมืองไทยไม่โรคอะไรหรอกโรคจากหมูฮะไม่ได้คิดรอกก็ให <c oughs> <c oughs> ้มันได้เยอะๆเขาเยอะๆถ้าพิจารณาจริงๆล่ะโอ้คือบลล่อร่ง ทำกุยทำข้าวเขาเขี <c> ้ <oughs> ยวเกี่ยวเขาไปมันมันจะข้ า, าเขาก็มากสตัวแต <c oughs> ่ น, นั้นนจะได้แสบไปแสบเขาไปมันว่าแสบเอาเราไามเพิ่มเข้าไปนาหมื่นเขาไปนาด้านเขาไป <c oughs> เขาบอกว่าเป็นราคาเดี๋ยวป <c oughs> ไปเห็นทิู่กร้านฝึกมาแตน่น้อย โรงเรียนกูว่ต้องเอาเขาไปน้ำหายลูกชิ้นเขาหนอน้องกุก๊บเตะดังตัวบัตรเลยโรงเรียนก็หุม่มเขาไปหุ่มเขาไปไ่ได้ถามหาเขาเลยไวมากกัว่าเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี้เฮ้ย <c oughs> จมูกบวมจมูกอักเสบ ติดเชือเอาเครื่องเสริมจมูกไปใส่แล้วก็ติดเชือนั่นเห็นไหเรื่องผมเครื่องเล็บโอ้หฮะแต่เรื่องยุ่งใส่ตัวเองเนี่ยคนเราะไม่ปล่อยไม่วางไม่ยึดคําถวนของพระพุทธเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจินดีกับของได้พอใจกับของมีรู้จักเพียงพอนี่ผมขนได้ฟันหนังก็พอเพียงแล้ว นี่จะงามยิ่งกว่าธรรมชาติไปไม่มีไปปุงไปแต่งมันก็ปลอมย่อมเเลียไม่ดูเท่าอะไรเป็นอยู่นะดูไปเขา ม, มาภาวนาดูไปดูละครเขาร้อว่าไงโลกนี่คือละครคุณเป็นอยู่ของโลกคุณเป็นละครนะถ้าเอาธรรมะมาดูถ้าเขาไม่เอาธรรมะมาดูกับโลกนี่สนุก ด่ากันป่นกันจี้กันนะความสุขได้ตรงไหนเอารับเอาเปรียบเออเบื่อ <c oughs> นั่นแหละทรมัดเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายภาวนาภาวนาคิดให้มันรอบรูปใช่ปัญญาพิจารณาให้รอบรูปดูนะ <c oughs> ตรงไหนมันก็ยุ่งไปหมดมันจะยุ่ง <c oughs> นั่นแหละคนเราชอบยุ่งมนว่าลูกดามก็ไปพูดอยู่ ความในชีน้อยภาวนาไม่ดีว่างั้น <c oughs> ไปติดอะไร <c oughs> ไปติดผมเลยในชีน้อยก็กลนผมมาได้ห้ <c oughs> อง น, อนงั่ง <c> ห <oughs> ้อง่ไปห่วงอะไรบนะ้ <c oughs> านไม่ได้เช่าเข้าไป่ได้ซื้อหาที่ไหน <c oughs> ไปติดตัวเองนะ่ะไมหรือเอาเรื่องอื่นมาเป็นโลพูดไปงั้น <c oughs> ถ้าเรากล้าหันเดี่ยวจะไปกลัวอะไร ตรงไหนก็มีธรรมะยอมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมไม่เจ้านี่แก่กับพลังกับมันใส่บาทอยู่แต่ว่าครูเพื่อ่ตะเก้าพอเห็นออกมาคนใหม่มาแก่กับพลังไส่ขนมมายอยู่เท่า น, นั้นก็บว่าตายจิ <c oughs> ยิดีกับฟองได้พอใจกับฟองมี ยัง้มีเป็นแนวทางของพระสงฆ์ที่ได้คิดอ่านหลวงปู่ชอบไปบิณฑบาตในป่าไม่มีหมู่บ้านก็มีคนมาใส่บาตรนะเห็นไหมเราไม่ได้ไปเอาหวังเอาของเป็นโบสถ์สัตว์โลกคนมีกิจตทาบางนิดหน่อยก็ต้องบดเราต้องโคดอยู่ว่าไใส่บาตรครั้งหนึ่งสังครั้ ง, งมีความสุขที่สุดตี้งแต่เกิดมานะ <c oughs> ทำโบอากาศกำลังพอดีพอดีไม่หนาวไม่ร้อนเขาที่เขาที่เร่งเข้าไปาพนโโลเเวม ซาโตมา